ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็เพื่อเพิ่มพูนความรูร้ความเข้าใจในคำสอนถึงแม้คำสอนนั้นจะแสดงบ่อยๆลหลายหนก็ตามจะทำให้เกิดความรูร้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจง้งหมดวิจิกิจฉา คือความสงสัยด้วยประการทั้งปวงอันหนึง่งทำอันใดที่ได้เคยได้ยินฟังบ่อ ย, อยจะทำให้เกิดความแตกฉานเข้าใจเนื้อหาสาระในธรรมนั้นในกว้างขวาง ม, มากยิ่งขึ้นเพราะเหตุนี้เองที่เมื่อทศเดชพระสัมมาธามพุทธเจ้าได้แสดงอนุพุปปักสาและอริยสั์แกะยะสะกุลบุตร ครั้งแรกในดวงตาเห็นธรรมพอครั้งที่สองบิดามาตามพอสว่างพระองค์ทรงสแสดงธรรมนั้นแก่บิดายะสะกุลบุตรฟังซ้ำที่สองได้บรรลุภา ร, ารันการฟังธรรมแม้จะซ้ำบ่อยเป็นเหตุให้เกิดผล ทั้งความรู้ความพข้าจที่ชัดเจนทั้งข้อปฏิบัติทรรมให้ถึงธรรมดังได้กล่าวมาแล้วอีกด้วยอันหนึ่งได้ตั้งความประสงค์ไว้ว่าในภันาการที่จะมีการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความดีอยู่มากของสถธ า, าภาษาทศชาธุชนได้เห็นดําริคิด วางหลักการไม่ว่าในเดือนแรกก็จะได้กล่าวสอนหลักการของสมถะกรรมฐานตามควรแก่หลักการในข้อที่สำคัญสำคัญเช่นในอนุตติหรือในจุจะจัตุรารักษ์และอื่นๆพอเหมาะสมเป็นไปในเดือนแรกถึงชี้แนะแนวทางล้วนแรกแต่เป็นสมถะ ในวหวเพ่งบ้างในวหวพิจารณาบ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติจะได้รู้จักแก้ไขในบางทีบางอารมณ์ในบางคราวแต่ในเดือนที่สองจะไมะ่ได้แสดงธรรมให้ฟังออกไปเพียงจักย้อนกลับมาทำสอนในเดือนแรกให้มั่นคงยิ่งขึ้น คือซ้ำชี้จุดแห่งการภาวนาของสมถะเช่นผู้ที่มีนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะต้องมีความระวังและมีสติเข้มงวดกวดขันในจิตของเราอย่างไรให้มากมากยิ่งขึ้นกับหาคำสอนมาประกอบ ให้เห็นชัดขึ้นเพื่อจะได้ถึงซึ่งความสงบระถึงธรรมนั้นจะไม่แสดงธรรมให้ในหมวดอื่นม า, มากเกินไปเพราะจะหากว่าได้แสดงธรรมมากเกินไปเหมือนกับ ว, ว่าวิชามากแต่จรณะน้อยคือความรู้มากแต่การปฏิบัติน้อยก็จะขัดกับหลักธรรมที่ไม่ เป็นไปเพื่อความรู้ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าวิชาแาจรณะสัมปันโนวิชาสัมปันโนถึงพร้อมในวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติให้เท่ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับสมาธิกับปัญญาที่จะต้องให้เป็นไปในความพอเหมาะพอดีกัน จึงจะเป็นธรรมส่งเสริมถ้าแสดงแต่ความรู้อย่างเดียวถึงจะมีความรู้มุ่งหน้าไปมากก็ตามแต่จะเป็นข้อวิชามากจรณะน้อยข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมบางกรณีก็อาจจะเกิดการวิจิกิจฉาสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจึงตั้งความประสงค์ไว้ว่าจะได้แสดงหลักการของสมถะ ไว้ในสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นส่วนเดือนที่สองก็จะเน้นหนักแก้ไขข้อต่างๆในเรื่องสมถะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเดู่ที่สามก็จะเสริมต่อยิงถึงวิปัตนาเพื่อให้เกิดความแตกฉานความรู้ยิ่งเห็นจริงมากยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะสมถะนั้น เมื่อบุคคลทาไ้ถึงที่สุดเช่นจะมาธิอัปนาสมาธิฌาหนึ่งสงสามสี่ถึงที่สุดแล้วธรรมะถึงที่สุดเพียงใดก็ติดอยู่เพียงเท่านั้นจะเดินหน้าต่อไปได้้องอาศัยวิปัสนาหลักการของหลักธรรมเป็นอย่างนี้และเพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งความประสงค์ไว้ดังกล่าวมและที่ว่า เดือนแรกตั้งหน้าตั้งจาสอนเรื่องสมถะคือสมาธิด้วยบทต่างๆมีอนุสติเป็นหลักที่สำคัญและเดือนที่สองก็จะเน้นหนักในเรื่องการสมถะให้ชัดเจนหรือมันคงยิ่งขึ้นในทางจิตใจส่วนในเดือนที่สามจะเสริมต่อไปทางวิปัสสนา ให้เห็นตามความจริงเหมือนดังที่เราสวดมนต์ในวันนี้เรียนอ น, นัตตลักษณะสูตรเรื่องรูปเวทนาทัญญาสั้งขานวิญญาณเป็นอนัตตาสมถะกับวิปัสสนาหรือสมาธิกับวิปัสสนานั้นเป็นธรรมะส่งเสริมตึงกันกันสมถะสมาธิตัวมีประทัฐานให้มั่นคง แล้วจเจริญมิปัสสนาจิตจะไม่ไฟเฟ๋ทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าหากว่ามีแต่สมถะอย่างเดียวถึงที่ถุดของสมถะแล้วก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนพวกรามดาบ ท, ทั้งหลายก่อนพุทธกาลถ้าไม่สามารถที่จะ อย่างจิตของตนให้เข้าสู่วิปัสสนาที่แท้ได้คือขาดหลักอริยสัจสี่จึงวนเวียนอยู่เพียงฌานธรรมบัตรแต่เขาก็เพ่งแต่เขาก็มีความจานนานมากในฌานธรรมบัตรเหล่านั้นอยู่เท่านั้นยังไม่สามารถจะเข้าไปสู่โลคุตระกุศนได้เพราะขาดวิปัสสนา ดังนั้นในเดือนทุดท้าให้จึงจะค่อยๆเปิดทางวิปัสสนาคือปัญญาธรรมะที่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งความรู้กระจ่างให้เกิดมีขึ้นเพื่อให้เกิดความที่จิตเดินตามธรรมาที่แล้วก็จะเดินตามวิปัสสนาต่อไปอีก ความก้าวหน้าของจิตก็จะดีขึ้นถึงแม้อย่างน้อยๆก็จะทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดในธรรมนั้นๆฟางฟางธรรมะที่มีสติมีสมาธิถ้ามีปัญญาผสมด้วยก็จะมีความเข้าใจได้ดีและมีข้อปฏิบัติมีข้อระลึกถึงมีข้อพิจารณาได้ชัดเจนหรือ มีงานภางิจมากขึ้นทำให้จิตฝั ก, กไฝอยู่ในหลักธรรมสมาธิกับวิปัสสนาหรือสมถะกับวิปัสสนาจะมีความต่างกันก็คือสมาธิมุ่งแต่จับอารมณ์ให้ได้เพื่อให้อยู่ในสมาธิอันใดอันหนึ่งหรือที่สุดของสมาธิคืออัปปนาฌาน ก็มุ่งจับแต่อารมณ์ให้ที่เพ่งให้ได้ครบของปฐมฌานดาาุติาาญาฌานตัิญาฌานและจตุจัจฌานจับอารมณ์เรานั้นไว้ไม่ปล่อยไม่วางให้เป็นหนึ่งอยู่กับผิตยอยู่เสมออันนี้เป็นส่วนของสมาธิฌานเรียกว่าทั้งสองอย่างทั้งสมาธิและฌานเรียกว่าสามถะ คือทำที่เป็นไปเพื่อความสงบทางจิตแต่วิปัสนาไม่อย่างนั้นวิปัสนานั้นพิจารณาให้เห็นกระจ่างแจ้งรู้ตามความเป็นจริงหมดและเมื่อเห็นแจ้งเห็นแจ่มใสหมดแล้วจิตก็จะปล่อยวางความยึดถือเหล่านั้นไม่ต้องไปรับอารมณ์ความยึดถืออันนั้น ยังจะว่ารู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วความกระจจางแห่งธรรมทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นกับจิตความกระจจางแห่งธรรมทั้งหลายเปิดยขึ้นกับจิตจิตย่อมกำจัดอกุสุนธรรมชั้นละเอียดเช่นความยึดมั่นถือมั่นซึ่เรียกว่าอุปาทานที่เคยมีในปางก่อนเป็นต้น เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงธรรมอนัตตาการสูตรก็ดีท่านค่อยๆสอนทีละข้อคือสอนให้เห็นรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาและก็ชี้แจงต่อไปว่าถ้ารูปเป็นตนเป็นอัตตาคือตัวตนเราใจ ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออ า, าพาธจะไม่เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทรงจะเป็นอยู่ในอำนาจของความห้ามปรามด้ที่ประสงค์แต่พระรูปเป็นต้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับขวามชาของใครเลยจึงได้ชื่อว่าอนัตตาความข้อนี้ละเอียดลึกซึ้ง ที่พระศาสดาทรงสแสดงธรรมนั้นในตอนที่สองจริงก็มีการสอบถามเช่นตังกิงมัญชะพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาพระพุทธองค์ทรง ส, งสอนด้วยถามด้วยคือเทศด้วยสอนด้วยเทศด้วยถามด้วยในตอนที่สองก็ถามพระปัญญาวิ ค, คีว่ารูปนี้เทียงหรือไม่เทียงพระปัญญาวิคีก็ตอบด้วยปัญญาว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ทรงถามว่าเมื่อรูปไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ทูลว่าลูครั้งพันเตนเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อทรงถามต่อไปว่าเมื่อรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่เราจะมาถือว่าเป็นของเรา พระปัญจวคัคคีให้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ทูลว่าโนเอต่างพันเตไม่ควรถือว่าเป็นตัวตนของเราพระเจ้าข้าแต่และอย่างรดอย่างเพราะอนัตานี้ละเอียดพระองค์จึงได้ทรงแสดงด้วยถามด้วยคือแสดงไปแล้วก็ถามเพื่อเกิดความเข้าใจว่าพระปัญจวคัคคีเข้าใจได้ถูกต้องดีแล้ว แต่ความจริงในพระไตรขององค์นนทราบมาก่อนว่าปัญญาของพระปัญญวัคคีอยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงรอบแรกของอนัตจึงแสดงให้เห็นเป็นแนวทางไปว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นฮัตตาสัญญาเป็นฮัตาวิญญาณ ทั้งฐานเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาพระองค์คงทราบเพราะว่าความละเอียดของอนัตตาแต่ปัญจวัคคีย์นั้นอินทรียังไม่แก่กล้าคือปัญญายังไม่แก่ข่าเพียงพอจึงได้ย้อนในข้อสคดังในกล่าวมาแล้วว่า <c oughs> ต่งกิงมัญจาพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาแนว น, นี้เป็นต้นคือถามทันทีว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญญวัคีก็ทูลว่าอนิจจาพันเตว่าไม่เที่ยงถามว่าเป็นตุกเป็นทุกก็ถามว่าทูลว่าดุข้างพันเตถามว่าเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกควรจะถือว่าเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตน ก็ทูลต่อว่าโนเฮตังพันเตไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอันว่าได้ชําระรูปเวชนาสัญญาสั้งขันวิญญาณทั้งห้าประการเหมือนกันหมดในพระสูตรเหล่านี้ยังมีคำสอนที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันซึ่งเข้าก่อนได้เคยมาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่าสุสิมะเป็นหัวหน้าในรัฐทในกรุงราชคข้าวหลัง บริวารให้ปลอมคำมาบวชเพื่อศึกษาธรรมแล้วศึกออกไ ป, ไปไปสอนพวกตัวเองพระองค์ก็ทรงถามเพ่นเดียวกันว่าตังกิงมัญชะสุสิมะอันนี้เพราะเป็นองค์เดียวไม่ใช่ไม่ใช่ตังกิงมัญชะถาหมายความาหลายองค์ตังกิงมัญสิสุสิมะถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ท่านกาพิจารณาเหมือนกันจนจบท่านก็ได้ประรู้พระอรหันต์เหมือนกันดัง น, นี้เป็นต้นแล้วก็ทูลตามความจริงที่เข้ามาบวชในพระศาสนานี้ไม่ได้สร้างใจเข้ามาบวชแต่พระองางใจเขามาหาความรู้เพื่อไปเผยแพร่ภายนอกอ้างว่าเป็นของตัวเองพระศาสดาทรงตำหนิว่าเป็นโจรวรรณกรรม <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของสมถะและวิปัจนาทั้งสองประการ น, นี้พึงฝึกสมถะให้เกิดความชำนานความคล่องตัวรู้จักเจริญให้เกิดขึ้นรู้จักแก้ไขรู้จักความเป็นไปของมัฏฐธรรมะเพราะสมถะในการเพ่งมีการใช้ปัญญาน้อย ถ้าสรรมถะในการพิจารณาก็เริ่มจะมีปัญญาบ้างแต่ยังไม่มากนะถึงแม้เราจะพิจารณากายของเราให้เป็นอสุภกรรมฐานเห็นว่าน่าเปือ่อยผุพังไปเป็นช่วงๆตามวันเวลาที่ตายไปแล้ว แต่จิตยังฝักใยกัหมดรู้อาการเหล่านั้นเช่นว่าขึ้นอืดพองเป็นอย่างไรน้ำเหลืองไหลเป็นอย่างไรเมื่อตายใหม่ๆถูกฆ่าเลือดไหลออกมาอย่างไรจิตยังจดยังจํายังฝักใยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะใช้ปัญญาพิจารณาจึงยังเรียกว่าสมถะแต่วิปัชนานั้น เขารู้จจรแจ้ง เ, ง, จเงเห็นจริงแล้วปล่อยคือหมายความว่าจิตนั้นปล่อยเองรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าสิ่งข้างบวงเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเราพบกระป๋องลูกหนึ่งก็ปิดฝาไว้เมื่อยังไม่เปิดฝาก็ยังมีคิดกันว่าในกระป๋องนี้มีอะไรคิดกันไปต่างๆนาน า, นานาประการ เมื่อเปิดกระป๋องนั้นแล้วก็เห็นว่าภายในนี้มีอะไรบ้างอย่างชัดเจนต่อจากนั้นเห็นกระป๋องที่ลายก็หมดความตกใจไม่ต้องไปปล่อยไม่ต้องไปยึดถือคือจิตปล่อยวางเมื่อจิตเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงอยู่แล้วอย่างนี้<ๆ>ก็จะเกิดความปล่อยวางดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงสแสดง อลพณญาสูตรสอนสอนสําหรับคนที่เศร้าโศกเมื่อเวลาสูญเสียบุคคลที่รักเกิดความเศร้าโศกเสียใจโดยได้ยกชาลาพยาธิความเสื่อมและความพินาศสิ้นความสิ้นไปให้เห็นแต่และอย่างละอย่างว่าสิ่งทั้งห้าคือความ แก่ความเจ็บความตายความเสื่อมความทิ้นเป็นธรรมชาติของบุคคลใครจะไปห้ามปราบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าใครคิดจะหาอะไรมาแก้สิ่งทั้งห้าหยุดก่อนเถิดเสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีธรรมชาติเป็นอย่างนี้ ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกล้าหาญมีสติปัญญามากจะเป็นผู้นำก็ดีก็เป็นนักรบก็ดีคนเหล่านั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเสื่อมต้องสิ้นไปหมดไม่มีใครเหลือล้ออยู่แม้แต่คนเดียวจึงเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ต้องไปหาอะไรแก้ เพียงแต่ว่าเมื่อทุกขเวรนาเกิดขึ้นมีอยู่มียาเราก็รักษาไปตามสาภาพถ้าสิน้นความสามารถเรื่องอยู่เิื่งยาแล้วร่างกายนี้ทนไม่ได้ต้องปล่อยเขาตามสาภาพอย่าไปยึดถือในขณะที่ดูแลใช้ ย, ยาหรือพยาบาลอยู่นั้นเพียงประคองร่างกายนี้ไว้ว่าถ้า มีชีวิตและแข็งแรงอีกก็จะได้ทำประโยชน์ให้เกิดมีขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าทุกที่จะแก้ไขทุกติ่งทุกอย่างแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นสภาพเป็นไปตามอย่างนั้นเองเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงการเป็นการปล่อยวาง่วสรสมถะยึดไว้ ไมให้จิตใบเฟซอย่างอื่นให้จิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวแต่วิปัสนารู้แจ้งนะปล่อยไปบล่อยไปเห็นภาษาตนาพิจารณาอวิชชาปัญญาสังข้าราสังขานที่เกิดนั้นเพราะเหตุอวิชชานี่เองทั้งข้าราปัญญาวิญญาณัางวิญญาเกิดนี่ก็เพราะสังขารคือความนึกคิดวิญญาณนะปัญญานามรูปังรูป นามรูปเกิดขึ้นกับเพราะวิญญาณรู้แจ้งรู้แจ้งรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลรู้จนจบจบสายแล้วก็หมดความสมใจเหมือนความโลภเกิดขึ้นก็จะเป็นเหตุให้ทาทุจริตทุจริตเกิดมีขึ้นก็จะเห็นผลบาปบาปเกิดมีขึ้น ก็ยอมเนี่ยแล้วทุกพระเวทนาต่อไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้เข้าใจให้ได้อย่างนี้จัดว่าเป็นส่วนของวิปัสสนาส่วนสมถะนั้นทำให้จิตตั้งมั่นสมถะจึงเหมือนหลับปักลงในแผ ด, ดินให้ไม่ให้หวันไหว วิปัสสนานั้นเหมือนกับว่าถอนหลักนั้นออกหมดแล้วรู้ความหวั่นไหวหมดความยึดถือในความหวั่นไหวต่างๆหมดแล้วพอรู้ตามความจริงว่าถึงขั้บวงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพนอย่างนี้ไปได้เพราะฉพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงเรื่องตาลัก ค, คืออนิจจังทุกขังอนัตตา มาประกอบกับรูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณเป็นส่วนมากเพราะทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งความยึดถือเมื่อความยึดถือหมดไปก็รู้แจ้งตามความจริงแห่งความยึดถือนั้นก็จะไม่กลับมายึดถืออีกเรียกว่าไม่มีติดติดก็พ้นจากอาทวากิเลส ถ้าจิตติด อ, อยู่ก็อยู่กับอาสวะกิเลสดังนั้นเราจะพบคำสอนของพระองค์เป็นจานวนมากมายว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่มีทุกข์นั้นไม่มีสิ่งที่เข้าไปยึดถือก็เพราะปาะทานกามุปาทานความยึดถือในอารมณ์ของการที่ถูกปาทาน การยึดถือในมิจฉาทิฏฐิศีทธะปตุปาทานความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดเช่นอ้อนวอนหวงสวงเป็นต้นอัตวาลู ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนฝ่ายเดียวมีอยู่ในจิตใจเหล่านี้เป็นเหตุให้ยึดมั่นเมื่อยึดมั่นก็หมายความว่ายังปล่อยวางไม่เป็นคือปล่อยวางไม่ได้จึงติด อยู่เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสาวกได้รู้ตามความจริงแล้วจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีความติดเมื่อไม่มีความติดจิตก็หลุดพ้นจิตที่หลุดพ้นจะอาสวยกิเลสเพราะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงดังได้กล่าวมาแล้วในค่ำคืนวันนี้ก็จะได้แสดงกรรมฐาน ที่เป็นแนวทางปฏิบัติในย้ำในข้อบางอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งวันก่อนได้แสดงจดตุรารักษ์ได้แสดงพุ ท, าทธาลุสติและเมตตาพอเป็นแนวทางแก่การปฏิบัติแก่การอุบายในจิตใจของตนเองเพอาะธรรมเหล่านั้นพุทธานุสติเป็นเครื่องแก้ทีนั้นมิทะซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติ จิตตาวนาจะมีความพ้อถอยมีความง่วงโงกมีความง่วงเหงาหานอนหรือเบื่อหน่ายเมื่ออาการของจิตเป็นอย่างนี้จึงต้องหาความสดชื่นในแก่การนึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระคุณมีมากมายมีปัญญาคุณเป็นต้นจิตใจก็จะฟื้นคืนตื่นขึ้นได้แช่ชื่นขึ้นได้ เบิกบานขึ้นได้ส่วเนเจริญเมตตาก็คือนอกจากจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆและทำจิตของตนเองให้ปรีดาปาโมทมีปิติมีสุขไม่มีเวรไม่มีทุกข์กับใครๆให้เกิดขึ้นถ้าหากว่าอะไรมาเป็นเครื่องขัดข้องทางจิตใจจะทำให้โกรธให้เกลียดให้ชังหรือผูกความโกรธ ความเกลียดความชังเหล่านั้นก็จะได้เห็นรู้ว่าอันนี้จิตของเราไม่ดีอย่าไปผูกโกรธอย่าไปเกลียดชังพึงเจริญเมตตาไว้เป็นวิหารธรรมในจิตใจของตนถ้าหากว่าเรามีเมตตาอยู่แล้วกิเลสความโกรธความเกลียดความชังความผูกอาฆาตพยาบาท สิ่งนั้นก็ไม่มีถ้าความโกรธเป็นต้นมีอยู่จิตก็หนักจิตก็ลําบากจิตก็วุ่นวายจิตก็ผิดมนุษย์มนาคือทําให้คนใจร้ายควรมีเมตตาตรงกันข้ามทําให้คนใจเย็นทําให้คนดีทําให้คนเป็นสบายทาให้มีจิตใจชื่นบานทําให้เกิดสติและปัญญา ทำให้เป็ดกันคนความมีรอบรอบและทําให้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครใครถ้าฉเฉลียวฉลาดเจริญเมตตาให้เป็นเครื่องพ้นทุกข์ก็คือเจริญเมตตาให้ได้ฌานเมื่อจิตได้ฌานคือความสงบมีเอกภตาเป็นหนึ่งจิตมั่นคงดีแล้วน้อมจิตไปเพื่อวิปัสสนาจิตที่มีความสงบไปน้อมไปวิปัสนาเพื่อพิจารณา ก็จะถึงที่ถูกแหกทุกข์ได้คือสมถะบทใดก็าตามเมื่อทําจิตให้สงบระ ง, งับกามฉันหรือเรียกว่าอากุศลลวิตกอากุศลลวิตกคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกหรือนิวรณ์ก็เรียกว่าอากุศลลวิตกด้วยเมื่อระ ง, ง, งับอกุศลแลวิตกได้น้อมนําจิตให้ไปพิจารณาก็เห็นอัตเห็นธรรม เห็นคำสอนทะลุปูโปงรู้แจ้งแทงตลอดได้การทำสมาธิด้วยการเพ่งก็ดีพิจารณาก็ดีก็เพื่อทำลายตรงนี้คือไม่ให้จิตเข้าไปข้องเกี่ยวกับนิวรณ์หรืออกุศลละวิตกพอเมื่อจิตพ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วจะมีจิตผองใสมีพลังใน จ, จ, จัตุรารัก ที่จะกล่าวต่อไปอีกสองข้อก็คืออสุภกรรมฐานและมรณาสติแต่อสุภกรรมฐานก็จะเข้าใจง่ายแล้วได้กล่าวไปแล้วในวันในวันก่อนทั้ง1ิบข้ออสุภะสิบข้ออย่างชัดเจนส่วนวันนี้ก็จะมาเสริมต่อมรณสติซึ่งมีอยู่ในอนุสติเหมือนกันการที่เราจะพิจารณา ให้เห็นถึงความตายอันจะมีแก่ตนนั้นคนเราทุกคนย่อมหวงแหนชีวิตอละร่างกายของตนเองและมีพันธะอะไระอันตรายหลายอย่างเมื่อนึกถึงความตายและจะกลัวหรือไม่อยากนึกกลัวจะถึงวันนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อบุคคลนึกถึงความตายจน จ, จิตสงบจิตมีปัญญา จะเห็นคุณประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะว่าความผูกพันในความเป็นไปของบุคคลนั้นมีมากมีอารมณ์มากอารมณ์หลายอย่างมีทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งเกลียดเหล่านี้เป็นต้นมากมายอารมณ์ต่างๆแต่ว่ า, าจเจริญกรรมฐานมรณาตติเรือยถึงความตายหมดกันเพราะจากตายแล้วอะไรๆก็หมด ถ้าเราตายแล้วผมเคยสวยก็หมดสวยปันเคยสวยก็หมดสวยผิวหนังเคยสวยก็หมดสวยหรือรูปร่างแข็งแรงร่างกายกำยำเมืม่อตายแล้วก็หมดความแข็งแรงเมื่อตายแล้วก็หมดความกำยำอาจจะกำยำ ม, มากกว่านั้นคืออืดขึ้นพองเน่าแต่เขาไม่มีประโยชน์อะไรการที่เราพิจารณากายของตนเองให้เห็นเป็นสภาพดังนั้น จะมีคุณมากและมีคุณไม่ใช่ทำตามมีคุณกำจัดสักกายทิฐิองค์แห่งพระโสดาบันในข้อแรกนี้ได้อืกด้วยเราลองนึกว่าสมมติว่าเราตายสมมติว่าเราเห็นศพคนตายอยู่คือตัวเราเองเน่าเปือเปออนน่อยๆืดยนอนด้วยหมูหนอนแห้งไปแล้วบ้าง ยังมีคาบเลือดคาบเนื้อเกาะกระดูกแห้งๆบ้างแล้วลองนึกว่าถ้าคนเนี้ยที่เห็นเนี่ยคือตัวเราแล้วเราจะยึดถือไหมว่าอยากเป็นอย่างนั้นไหมเราก็ไม่ยึดถือเราก็จะปล่อยวางทีว่าสภาพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของเราแต่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้เพราะเมื่อเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ สภาพการตายเปื่อนเปื่อน เ, เป็นอสุภะด้วยสภาพการตายนั้นจนกระดูกต่างๆโผล่ขึ้นมากระดูกกรีดโค้งกระดูกตะโพกกระดูกขาแขนศีษะเป็นต้นถ้าเห็นโครงกระดูกเหล่านี้แล้วจิตของเราถอนจากความยึดถือทันทีถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเรามาในปางก่อนก็ดี ความยึดถือจะคลายไปบอไปแล้วเราลองนึกว่าที่คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอ้อคําว่าอนัตตาสังขารนี้ไม่ใช่ตัวตนเราจะเห็นอนัตตาตรงนี้ได้ง่ายว่านี่แหละตัวเราเป็นอนัตตาอย่างนี้กระดูกโผลมาแล้วลูกตาหมดไปแล้วกระดูกต่างๆเขาเห็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระโผขึ้นมาให้เห็นนี่แหละตัวเรา ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่ไม่สม่เสมอเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรานึกแล้วนึกภาพแบบนั้นแล้วําให้เห็นปรากฏหยอกอยู่กับจิตจิตย่อมถอนสักกายะทิฐิความยึดถือสันทีอย่าลืมว่าสักกายะทิฏฐิเป็นอนุสัยชั้นละเอียดข้อแรก ผู้ที่จะได้บรรลุธรรมพระโสดาบันต้องถอนตัวนี้ให้ออกจากจิตก่อนการจะถอนตัวนี้ให้ออกจากจิตได้ทางที่ง่ายกับที่ถุกก็คือคิดว่าตัวเราตายแล้วจะเป็นการถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เป็นอย่างนี้อันหนึง่งชีวิตของคนเรานั้นคาว่าตายนี้ไม่ใช่ว่า จะต้องแก่ตายอย่างเดียวความตายมีสองอย่างโดยการคือตายอย่างปกปิดกตายอย่างเปิดเผยตายอย่างปกปิดก็คือหมายความว่ า, วาตายเป็นส่วนเป็นส่วนไปสมมติอย่างง่ายๆเช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกเป็นทารก น, น้อยๆตายจากทารกก็เป็นเด็กโตขึ้น ตาจากเด็กโตขึ้นก็ก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เหลือเป็นคนกลางคนตายจากความเป็นคนกลางคนก็เป็นคนแก่ตายจากความเป็นคนแก่ก็เป็นคนเท่าตายจะไปตายจะเป็นคนเท่าที่ตายหมดเลยเ้าเรียกว่าตายอย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราตายกันอยู่เสมอในขณะนี้ก็ตายอยู่เสมอ เมื่อวานนี้เราทําอะไรอยู่บ้านกินข้าวกับอะไรเมื่อวานนี้ตายไปแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นเมื่อวานนี้แล้วท่านแต่เกิดมาอายุเท่าไราแล้วอายุสี่สิบปีตายไปสิบเก้าปีแล้วเหล่านี้เป็นตุนทุกสิ่งทุกอย่างมีอาการตายไปอยู่เสมอการตายของบุคคลชนิดนี้เรียกว่าตายบางส่วนหรือตายไม่เปิดเผย คือหมายความว่าร่วงลับดับไปแต่ตายอย่างนี้บางทีเราไม่เสียดายเช่นว่าจากเด็กเล็กๆ เ, เดินไม่ค่อยได้พอโตขึ้นเป็นเด็กโตหน่อยเดินได้เราก็ไม่เสียดายว่าตายจากเด็กเล็กในขณะเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ยินดีในการเกิดอย่างนี้ไม่อยากให้ตายแต่ก็ไม่พ้นคว า, ามตายของตายไปสภาพอย่างนี้และเด็กก็ดีเด็กใหญ่ก็ดีเด็กเล็กก็ดีหนุ่มสาวก็ดี การคนก็ดีแกก็ดีเท่ากนี่ตายแล้วเหมือนกันหมดเหมือนอย่างไรเน่าเหม็นเปะเปื่อนเป็นอาหารของหนอนและสัตว์ทั้งหลายเด็กชาวเขาเคยเล่าให้ฟังว่าคนตายขึ้นในหมู่บ้านเขาไม่มีวิธีทำอะไรกันมากมากักสวน ม, มากจะไปฝัง ทีนี้ขุดหลุมไม่ลึกนักไปฝังไว้แล้วตพก็ขึ้นอืดกินก็ขึ้นมายัางพื้นแผ่นดินสุนัขไปคุยพบขาก่อนก็กินเนื้อกินขากินกระดูกที่ขาขาโผล่ขึ้นมาสุนัข ก, กินเนื้อที่ขาก็กินเนื้อที่เท้ากระดูกที่เท้าขาโผล่มาให้กินเราเลิกว่า ถ้าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเองเ้าเป็นอย่างนั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้กเจ็บรู้สึกอะไรแล้วแต่เราเห็นส้อผ้าเป็นนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างค็รู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นกระดูกเหลืออยู่ก็คือเป็นธาตุดินที่สุนัขหลายขบเคี้ยวกัดเอากระดูกมาเคี้ยวให้กิน ความจริงกระดูกที่เคี้ยวให้กินที่มันอร่อยนั้นมันน้ําลายตัวเองผสมกับกลิ่นของสร้างกรอบ้างและที่มาเคี้ยวดู ก, กระดูกแลกระดูอีกก็คือเพราะกลืนน้าลายของตัวเองมาเป็นอาหารถ้าพลาดท้งรูปไตทางปวงเป็นอย่างนี้ดังนั้นหาใช้ปัญญาพิจารณาหลายหลอย่างให้พิจนารณาร่างกายนี้เห็นไว่ตายแล้วมีอาการอย่างไรบ้าง ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตายเป็นอุบายเพื่อหาทางตัดกิเลสเพื่อให้กิเลสมันตายทารยังมีความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าสวยงามอยู่กิเลสมันชอบเกิดขึ้นถ้าราคะโทสะละโมหะและมีกำลังกล้าเพราะกิเลสทั้งสายเหล่านั้นชอบสุภะคือชอบงามราคะนี้ชอบสุภะคือชอบงามยิ่งงามยิ่งเกิด แต่จะหากว่าโสโคกปฏิกูลย่อมตรลดย่อมเบาบางลงไปถ้าเห็นมรณะติถึงความตายอยู่แล้วก็จะตัดอารมณ์เหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนข้อนี้พึงพิจารณาคนทั้งหลายดังในเกาะมาแล้วว่าใครเขาตามเกิดมาแล้วไม่มีใครรอดพ้นจากมัจจุราชไปได้เลย มัจจุราชเป็นนายใหญ่เจ้าชีวิตของตัทั้งหลายมัจจุราชที่เขาเป็นเจ้าไหนนายตัวของมนุษย์ตัดทั้งหลายนั้นเขามีบ้านอยู่ที่ไหนเขากินอาหารอะไรเขาไม่ต้องมีบ้านมีการเกิดที่ไหนมีมัจจุราชอยู่ที่นั่นตัดทั้งหลายที่เกิดนั่นแหละเป็นอาหารของมัจจุราช คนก็เป็นอาหารของมัจจุราชคือสมควรเวลานี้แล้วเ อ, เอาคนนี้มาเป็นอาหารต้องตายไปคนนั้นเป็นอาหารต้องตายไปอันนี้พูดในระบบที่ว่าเปรียบเทียบให้เห็นเกิดความบางเวทใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นมรณสติที่จะเกิดมีขึ้นแก่นนตนจะได้ถอนความยึดถือและถอนอารมณ์ต่างๆความพิจารณาให้มากๆ จะเห็นทั้งปฏิกูลด้วยเห็นทั้งสิ่งทั้งปวงนี้ไม่มีอะไรเป็นที่น่านั้นจะถือด้วยจะเป็นทั้งอกุกระมัธฐานและจะเป็นเพราะทั้ ง, ท, งที่ว่ามโนนัตติและมรนตนตินีนาการแล้วว่าเป็นตัวสาคัญในกรในการถอนอัตอตานุทิธิหรือสักกายทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นให้ออกไป น่าจะกายยึดิถิถอนได้เท่าไรยิ่งเป็นผลมากเพราะเป็นแดนเป็นหนทางเข้าสู่โลกุตระกุศลคือพระโสดาบันที่เรียกว่าทมพิเศษเบื้องต้นในขณะที่เห็นอาการของกายของเรามีลักษณะเป็นต้องตายอย่างนี้จิตของเราก็จะไม่เข้าไปยึดถือเหมือนตอนเมื่อเราเป็น ถ้าเวลาเป็นอยู่นี้เราเขา ย, ยึดถือผู้ส่วนแต่ถ้าหากว่าเห็นตัวของเราตายไปแบบนั้นแล้วความรู้สึกยึดถือจะปล่อยวางไปมากมายทีเดียวความยึดถือที่ปล่อยวางไปนั้นนั่นนะคือว่าปล่อยวางสักกายทิฏฐิเมื่อปล่อยเยอวางสักกายทิฏฐิได้นี่คือโสดาปฏิมักและกําจัดในข้อสองอีกต่อไป คือวิจิเกชาความรังเลทงใสและกำจัดในข้อสามต่อไปเลิกถือเรื่องความที่บูชา อ, อนวอห่วงสวงและสิ่งต่างๆการทรมานตนที่เป็นรสต่างๆออกไปเสียได้กำจัดได้สามอย่างเท่านี้ อิตของตอนเองก็เห็นความจริงแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปนั่นคือคุณของโสดาปฏิผลขณะที่ดาเนินอยู่เป็นโสดาปฏิมักได้ครบพุ่นแล้วก็เป็นโสดาปฏิผลเป็นคู่แรกของระยะบุคคลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดว่าเอสะพระควะโตสาวกสังโกนี่แหละสาวกของพระพุทธเจ้า นี่แหละพุทธสารกิจชนของพระพุทธเจ้านี่แหละติ์ลูกของตัฐากัเจ้าจึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่อย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นปรนนทติกรรมฐานจึงเป็นกรรมฐานชั้นสูงที่เดียวและไม่ต้องเพ่งเพงแล้วพิจารณาเพ่งแล้พิจารณาพิจารณาให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนถึงแม้ตัวเราต่อไปจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้จะทําให้เกิดความปล่อยวาง ในกายของเราที่ยังไม่ถึงให้ออกไปเถิดได้ลองพิจารณาดูให้มากๆจะเรียกว่าเห็นกายของเราไม่เที่ยงเห็นกายของเราเป็นทุกข์และเห็นกายขององค์ัวเองไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ตัวตนก็เรียกว่าการพิจารณาธรรมหรือปฏิบัติธรรมนั้นเห็นกายเห็นใจคนละส่วนกันกายก็เป็นอนิจจังผู้ขังอนัตตา จิตก็ไปนอนิจจังทุกขะอนัตตาข้อที่สุดทำที่สุดทำให้ถึงพ้น่องความทศกนั่นเองดังนั้นมรณสตินึกถึงความตายจะมีกระตนใช่อุบายโยนิสมานิธิการพิจารณาเห็นเหมือนว่าเราตายไปแล้วเรารู้จักเราจาขาเราได้เราจาเนื้อตัวเราได้ตายขึ้นแล้วตายใหม่ๆเป็นยังไงต่อไปอื่นขึ้นพอมเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้น ทำให้เห็นชัดเจนขึ้นจุกระทั่งว่าเนื้อหนังมังสาถูกสุนัขและสัตว์ลายกัดกินแล้วเหลือจะโครงร่างภายในให้พิจารณาว่านี่เราเองเรี่ว่าชื่อเราเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยยึดมันม่นหึืมั่นแท้จริงค่ะเราเป็นอย่างนี้เองรู้ให้มากๆพิจารณามากจะปล่อยความยึดถือมัน่นคือมั่นจะได้ดังในกาวแล้วเป็นแนวทางเบื้องต้นหรือการเข้าสู่ โสดาปฏิมักในหัวข้อในธรรมพิเศษอันเป็นโลกุตระกุสนังนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานข้อนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีลูกปูเทศเป็นต้นเท่าจริงกลานว่าเป็นยอดของกรรมฐานเพราะเป็นการเข้าสู่อริยมรรคโดยตรงต่อธรรมนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาพึงปฏิบัติพึงใช้สติปัญญาของตอนพิจารณา ถึงแม้ยังไม่เห็นย่อมดับอากูโธนธรรมอื่นๆเพราะเกิดจิตเกิดความต่างเวทยังไม่เห็นว่าถึงจะปล่อยวางกายนี้ได้แต่ทาให้จิตเกิดความต่างเ ว, ว่าแท้ที่จริงร่างกายของสัตว์ทั้งหลายมนุษย์แม้แต่ตัวเราก็เป็นอย่างนี้เองหนอไม่ล่วงพนจากภาวะเหล่านี้ไปได้ทาให้เกิดความต่างเว ท, ทงเวเกิดขึ้นสมาธิเกิด แต่สมาธิที่เกิดนั้น น, นเป็นอุปจาระสมาธิแต่ก็เป็นฐานของวิปัสนาได้เพราะจิตที่จดจ่ออยู่ความผิดผิดแปลกวิปริตของร่างกายดังในกล่าวมาแล้วดังนั้นต่อ น, นี้ไปพึงใช้ปัญญาพิจารณาในตัวของเราเองให้เห็นดังกล่าวมาและเมื่อเห็นแล้วพึงดูจิตของเราขณะนัน้นเป็นอย่างไรมีอะไรเหลืออยู่ในจิตติบ้าง ก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองด้วยปัญญานี่คือทั้งสมถะและ ว, วิปัจนาเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนเองด้วยการพิจารณามร ะ, ะตัตติถ้าเห็นจดจำได้ดิ่งลงอยู่เป็นสมถะถ้ารู้แจ้งแทนตลอดคลายความยึดมั่นถือมั่นเริ่มเป็นวิปัจนา ดีทั้งสองประการตอนนี้ไปพึงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่อรวมจิตให้เกิดความสงบและความรู้ตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป